หลวงปู่ฝากไว้บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของพระราชวุฒธธาจารย์หลวงปู่ดูลัตุโลจากต้นฉบับระบุว่าเรียบเรียงโดยรพระโพธินันทมุนีซึ่งปัจจุบันคือพระราชวรคุณพระมาหาสมศักปันดีโตจัดทําโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตชนลดาพรมเดชภัยบุญร่วมจัดทำโดยนะดากล้วยไม้ครอบครัวปิติเจริญคุณครอบครัวกลิ่นหอมหวน ร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับสัพพาธานังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงหลวงปู่ดูลัตุโลนับเป็นสิทธิ์อวโส ร, รุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายอรัญยวาสีในยุค ป, ปัจจุบันพระเทระที่เป็นสหธรร ม, มิกและมีอายุรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ดูลได้แก่หลวงปู่สิงห์ันตยาคโม วัดป่าสารวันนครราชสีมาและหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหลวงปู่ดุลท่านจึงมีสิทธิสําคัญสำคัญหลายองค์สิทธิกรุ่นแรกๆก็มีหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่อ่อนยานาสิริหลวงปู่สามอากินโจนพระเทพสุทธาจารยหลวงปู่โชตคุณาสัมปันโนพระวิสุทธิธรรมรังสีหลวงพ่อเปลี่ยนโอภาโส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 ท่านจะเทศเรื่องจิตเพียงอย่างเดียวโดยจะย้ำให้เราพิจารณาจิตในจิตยอยู่เสมอหลวงปู่ดูลัตตุโลเกิดปีชวดสี่ตุลาคมพุทธศักราชสอง1ที่บ้านประสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านเกิดในตระกูลกเกษมศินเมื่ออายุ22ปีหลวงปู่ได้อุปสมบทที่วัดจุมพลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ในพรรษาที่6 หลวงปู่ได้เดินทางด้วยเท้าไปจังหวัดอุบลราชธานีพำนักอยู่ที่วัดสุทัศนารามสอบได้นักธรรมชั้นปรีแล้วเรียนบาลีวยากรต่อถึงแปลมูลกัดายได้หลวงปู่ด้รู้จักชอบพอกับหลวงปู่สิงคันตยาขโมซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในนามของแม่ทับใหญ่แห่งกองทับธรรมในสายของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตในปีที่สอง ที่หลวงปู่ไปพำนักอยู่ที่อุบลราชธานีนั้นหลวงปู่มั่นได้ทุดงมาพำนักอยู่ที่วัดบูรพารามในเมืองอุบลราชธานีและหลวงปู่ดูและหลวงปู่สิงห์ได้ไปกราบนมัส ก, การและฟังธรรมของพระอาจารย์ใหญ่เกิดความอัศจรรย์ใจและศรัทธาเป็นที่ยิ่งจึงตัดสินใจเลิกละการเรียนด้านปริยัติธรรมแล้วออกทุดงตามหลวงปู่มั่นต่อไปนับเป็นเศษหลวงปู่มั่นในสมัยแรก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 หลวงปู่จึงได้ไปพำนักอยู่ประจำที่ที่วัดบูรพารามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่พุทธศักราช2477จวบจนบันปลายชีวิตของท่านนับตั้งแต่บัดนั้นมาแสงแห่งรัศมีของพระธรรมทั้งทางปริยัติและทางปฏิบัติก็เริ่มฉายแสงรุง่งเรืองตลอดมาโดยหลวงปู่รับภาระทั้งฝ่ายคันทะทุระและวิปัสนาทุระ บริหารงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลังสามารถในปฏิปทาส่วนตัวของท่านนั้นไม่เคยละทิ้งกิจทุดงบำเพ็ญเพียรทางใจอย่างสม่ำเสมอตลอดมาพร้อมทั้งอบรมทางสมาธิภาวนาแก่ผู้สนใจปฏิบัติทั้งเข้ารืหัดและบรรพชิตด้วยเหตุที่หลวงปู่มีเมตตาธรรมสูงจึงช่วยส่งครอบบุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางโดยไม่เลือกชั้นวันนะ หลวงปู่มีสุขภาพอนามัยดีปัญเยี่ยมแข็งแรงว่องไวผิวพรรณผ่องใสมีเมตตาเป็นอารมณ์สงบสงี่ยมเยือกเย็นทำให้ผู้ใกล้ชิดและผู้ได้กราบไหว้เกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสนิทใ จ, จหลวงปู่ดูลัตุโลพระอริยะเจ้าผู้ประเสริฐได้ล่าเสียซึ่งสังขารเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526 สุริรวมอายุได้96ปีกับ26วันพระอระหันตาธาตุของท่านได้เก็บรักษาไว้ให้สาธุชนได้สักการะที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานในบริเวณวัดบูรพารามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่เน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนาให้พิจารณาจิตในจิตจนรู้แจ้งท่านเทศนาแต่เพียงสั้นๆแต่เฉียบคมท่านสอนว่า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 คำชวนอ่านหลายท่านได้เรียกร้องถามหาถึงพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ใครอยากจะได้ฟังได้อ่านอัตมาภาพขอสารภาพตามความเป็นจริงว่าธรรมเทศนาหรือโอวาทของหลวงปู่นั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่งท้งนี้เนื่องจากท่านไม่เคยเทศเป็นการ์ น, นหรือแสดงเป็นเรื่องราวยาวๆเพียงแต่เมื่อสอนภาวนาหรือกล่าวตักเตือนลูกศิษย์หรือตอบคําถามตลอดถึงสนทนากับพระเทระอื่นๆ หลวงปู่ก็จะกล่าวอย่างสั้นๆด้วยความระมัดระวังยกข้อธรรมะมากล่าวอย่างย่อๆเท่านั้นเองนอกจากนี้ท่านม่เคยแสดงในพิธีการงานใดอีกเลยเพื่อเป็นการสนองความต้องการแก่ท่านที่สนใจในคติธรรมคำสอนของหลวงปู่อาตมาภาพจึงพยายามรวบรวมธรรมะสั้นๆทั้งที่เป็นศธส ร, รมลวนหรือเป็นคาสอนคาเตือนและธรรมะที่ท่านกล่าวตอบคาถามของผู้ถาม ตลอดถึงพระพุทธพจน์บางตอนจากพระไตายปิดกที่หลวงปู่ชอบยกขึ้นมาบารอรบให้ฟังเสมอเสมอเพราะได้อยู่กับหลวงปู่มาเป็นเวลายาวนานตลอดอายุขัยของท่านจากที่เคยได้บันทึกไว้บ้างหรือจำไว้บ้างพร้อมเล่าถึงเหตุการณ์สถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจได้ง่ายหรือชวนอ่านได้บ้างรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกสิ่งที่น่าสังเกตและน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งคือหลวงปู่มีปกติ เป็นผู้ไม่พูดหรือพูดน้อยที่สุดแต่มีปฏิพานไหวพริบเร็วฉับไวมากและไม่มีผิดพลาดพูดสั้นย่อแต่อมความหมายไว้อย่างสมบูรณ์คำพูดของท่านแต่ละประโยคมีความหมายและเนื้อหาจบลงโดยสิ้นเชิงเหมือนหนึ่งสะกดจิตผู้ฟังหรือผู้ถามให้จุกคิดอยู่เป็นเวลานานแล้วก็ต้องใช้ความตรีตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึง้งอนหนึ่งท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่า ข้อธรรมะของหลวงปู่ในเล่มนี้เห็นมีทั้งธรรมะแบบธรรมดาก็มีแบบชวนบขบคันก็มีและแบบสัจธรรมล้วนก็มีทำไมจึงไม่เรียงลําดับให้ผู้อ่านได้อ่านจากง่ายไปหายากหรือจากต่ําไปหาสูงเป็นต้นที่ม่ด้เรียงลําดับไว้เช่นนั้นก็เพราะว่าข้อความธรรมะและเรื่องนั้นมีใจความจบลงเฉพาะหน้าแต่ละหน้าอยู่แล้วและถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศทางความคิดไปในตัวด้วย หรือหากเป็นการไม่เหมาะสมประการใดโดยเป็นการบังอาจเกินควรหรือผิดพลาดบกพร่องประการใดขอท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายไดเมตตาอภัยแก่ตมาผู้มีสติ ป, ปัญญาอน้อยนิดนี้ด้วยเถิดหนึ่งก ร, รกฎาคมพุทธศักราช2528พระครูนันทปัญญาพรหรือต่อมาภายหลังคือพระโพธินันทมุนีซึ่งปัจจุบันคือพระราชวรคุณพระมหาสมศัก ปันดิโตธรรมปฏิสันฐานเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ สเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงถามถึงสุขภาพอนามัยและการอยู่สํมราญแห่งอิริยาบถของหลวงปู่ตลอดถึงทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุด ช, ชาว่าหลวงปู่การละกิเลสนั้นควรละกิเลสอะไรก่อนหลวงปู่ถวายวิสัชนาว่า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 และไม่อาจฝืนสังขารจึงถวายพระพรว่าอัตมาภาพรับไม่ได้หรอกแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเองปรารบธรรมะเรื่องอริยสัจสี่พระเถระฝ่ายกรรมฐานเข้าถวายสาการะหลวงปู่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 หมายเหตุเพื่อให้ท่านที่เพิ่งเริ่มศึกษาได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นขอเพิ่มคำแปลดังนี้จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคคือทางดับทุกข์ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ ่ทีอยูู่เนือคอคพดุบาสกผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งสนทนากับลุงปู่ว่ากระผมเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันพระผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็คงมีอยู่ไม่น้อยเหตดใดท่านเหล่านั้นจึงไม่แสดงตนให้ปรากฏเพื่อให้ผู้สนใจปฏิบัติทราบว่าท่านได้บรรลุถึงคุณธรรมนั้นๆแล้ว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 หลวงปู่เตือนพระผู้ประมาทภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทคอยนับจำนวนเศียของตนแต่ในตำราคือมีความพอใจภูมิใจกับจำนวนเศียที่มีอยู่ในคำภีว่าตนนั้นมีเศียถึง227สส่วนที่ตั้งใจปฏิบัติให้ได้นั้นจะมีสักกี่ข้อ จริงแต่ไม่จริงผู้ปฏิบัติกรรมฐานทำสมาธิภาวนาเมื่อปรากฏผลออกมาในแบบต่างๆยอมเกิดความสงสัยขึ้นเป็นธรรมดาเช่นเห็นนิมิตในรูปแบบที่ไม่ตรงกันบ้างปรากฏในอวัยวะร่างกายของตนเองบ้างส่วนมากมักราบเรียนหลวงปู่เพื่อให้ช่วยแก้ไขหรือแนะายปฏิบัติต่ตอไปอีก มีจำนวนมากที่ถามว่าภาวนาแล้วก็เห็นนรกสวรรค์วิมานเทวดาหรือไม่ก็เป็นองค์พุทธรูปปรากฏอยู่ในตัวเราสิ่งที่เห็นเหล่านี้เป็นจริงหรือหลวงปู่ตอบว่าที่เห็นนั้นเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริง นวิิิธีละมถามหลวงปู่ต่อมาอีกว่านิมิต ท, ทั้งหลายแหละหลวงปู่บอกว่ายังเป็นของภายนอกทั้งหมดจะเอามาทำอะไรยังไม่ได้ถ้าติดอยู่ในนิมิตนั้นก็ยังอยู่แค่นั้นไม่ก้าวต่อไปอีกจะเป็นด้วยเหตุที่กระผมอยู่ในนิมิตนี้มานานหรือ ย, อย่างไรจึงหลีกไม่พ้นนั่งภาวนาทีไร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 สุุมิตรกรุงเทพมีแม่ชีพราหมณ์หลายคนจากวิทยาลัยครูพากันเข้าไปทำนองรายงานผลของการปฏิบัติวิปัสนาให้หลวงปู่ฟังว่า<ม>เขานั่งวิปัสนาจนจิตสงบแล้วเห็นองค์พระพุทธรูปอยู่ในหัวใจของเขาบางคนว่าได้เห็นสวรรค์เห็นวิมานของตัวเองบ้างบางคนว่าเห็นพระจุลามณีเจดีสถานบ้างพร้อมทั้งภูมิใจว่า เขาวาสนาดีทำวิปัสนาได้สำเร็จหลวงปู่อธิบายว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นทั้งหมดนั้นยังเป็นของภายนอกทั้งสิน้นจะนำเอามาเป็นสาระที่พึ่งอะไรยังไม่ได้หรอกหยุดเพื่อรู้ เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีพระสงฆ์หลายรูปทั้งฝ่ายปริยัตและฝ่ายปฏิบัติได้เข้ากราบหลวงปู่เพื่อรับโอวาทและฟังการแนะนำแนวทางธรรมะที่จะพากันออกเผยแพ่ธรรมทูตครั้งแรกหลวงปู่แนะวิธีอธิบายธรรมะขั้นปารมัดทั้งเพื่อสอนผู้อื่นและเพื่อปฏิบัติตนเองให้เข้าถึงสัจธรรมนั้นด้วยลงท้าย หลวงปู่ได้กล่าวปรัชญารมไว้ให้คิดด้วยว่าคิดเท่าไรเท่าไรก็มีรู้ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้ทั้งส่งเสริมทั้งทำลาย การละครั้งหนึ่งหลวงปู่ได้ให้โอว่าเตือนพระธรรมทูตครั้งแรกมีใจความตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายการที่จะออกจาวริกไปเพื่อเผยแผ่ประกาศพระศราสนานั้นเป็นได้ทั้งส่งเสริมพระศาสนาและทาลายพระศาสนาที่ว่าเช่นนี้พระองค์ธรรมทูตนั่นแหละตัวสำคัญคือเมื่อไปแล้วประพฤติตัวเหมาะสม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 จึงขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้พร้อมไปด้วยความรู้และความประพฤติไม่ประมาทสอนเขาอย่างไรตนเองต้องทำอย่างนั้นให้ได้เป็นตัวอย่างด้วยเมื่อถึงประมา์แล้วไม่ต้องการ เข้าพรรษาปีพุทธศักราช2496่หลงพ่อเถาะซึ่งเป็นญาติของลุงปู่พรอบวชเมื่อวัยชราแล้วได้ออกทุดวงติดตามท่านอาจารย์เทศท่านอาจารย์สามไปอยู่จังหวัดพังงาหลายปีกลับมาเยี่ยมนมัสการลุงปู่เพื่อศึกษาข้อปฏิบัติทางกรรมฐานต่อไปอีกจนเป็นที่พอใจแล้วลงพ่อเถาะพูดตามภาษาความคุ้นเคยว่า หลวงปู่สร้างบสถศาลาได้ใหญ่โตสวยงามอย่างนี้คงจะได้บุญได้กุศลอย่างใหญ่โตทีเดียวหลวงปู่กล่าวว่าที่เราสร้างนี้ก็สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สำหรับโลกสำหรับวัดวาศาสนาเท่านั้นแหละถ้าพูดถึงเอาบุญเราจะมาเอาบุญอะไรอย่างนี้ เป็นการดัดนิสัยหรือเปล่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลาหปีผลได้ที่สงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนค้นแค้นแสนเข็นด้วยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปแล้วทุกย่อมยาโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่ง พระเนรในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็บุญนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพลอมจีวรใหม่และสวยจึงถามว่าจีวร น, นี้ท่านได้แต่ไหนมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทาวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาด ท่านจึงประทานมาให้ผืนหนึ่งเมื่อถึงวาวระเนนพรมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ด้วยคิดว่าจะได้อย่างเข้าบ้างพอเสร็จวาวระกำลังจะออกมาหลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้สามเณ น, นพรม ต้องจำใจรับได้กับเข้มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังทุกเพราะอะไรสุภาพสตรีไวเลยกลางคนผู้หนึ่งเข้านมัสการหลวงปู่พรรณนาถึงฐานะของตนว่าอยู่ในฐานะที่ดี ไม่เคยขาดคลนสิ่งใดเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจอบายามุกทุกอย่างทำลายทรัพสมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ขอความการุณาหลวงปู่ให้ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายามุกนั้นด้วยหลวงปู่ก็แนะนาสั่งสอนไปตามเรื่องราวนั้นๆ ตลอดทิง น, นือุบายทำใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้เป็นเมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ปรารบธรรมะให้ฟังว่าคนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์เพราะความคิดอุทานธรรม หลวงปู่ยังกล่าวธรรมกาถาต่อมาอีกว่าสมบัติพัสถานทั้งหลายมันมีประจําอยู่ในโลกนี้มาแล้วอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ขาดปัญญาและไร้ความสามารถก็ไม่อาจจะสแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหล่านั้นได้ย่อมครองตนอยู่ด้วยความฝืดเคืองและลําบากขันส่วนผู้ที่มีปัญญามีความสามารถย่อมสแสวงหายึดสมบัติของโลกไว้ได้อย่างมากมาย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 เมื่อบุคคลปลงผมหนวดเคราออกหมดแล้วและได้ครองผ้ากาสาวพัดเรียบร้อยแล้วก็นับว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความเป็นภิกษุได้แต่ยังเป็นได้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นต่อเมื่อเขาสามารถปลงสิ่งที่รกรุงรังทางใจอันได้แก่อารมณ์ตกต่ำทางใจได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นภิกษุในภายในได้ศีรษะที่ปลงผมหมดแล้ว สัตว์เลื้อยคลานเล็กน้อยเช่นเหย่อยอมอาศัยอยู่ไม่ได้ชั้นใดจิต ท, ที่พ้นจากอารมณ์ขาดจากการปรุงแต่งแล้วทุกก็อาศัยอยู่ไม่ได้ฉันนั้นผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้ควรเรียกเอาว่าเป็นภิกษุแท้ พุทธโธเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปโปรดญาติโยมที่กรุงเทพเมื่อส1มเอ็ดมีนาคมพุทธศักราช 2,521 อดในช่วงสนทนาธรรมญาติโยมสงสัยว่าพุทธโธเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้เมตตาตอบว่าเวลาภาวนาอย่าส่งจิตออกนอก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 แล้วให้จิตภาวนาเอาเองให้จิตเป็นผู้บริการพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละแล้วพุทโธนั่นแหละจะผุดขึ้นในจิตของเราเราจะได้รู้จักว่าพุทโธนั้นเป็นอย่างไรแล้วรู้เองเท่านั้นละ่ะไม่มีอะไรมากมาย อยากได้ของดีเมื่อต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2526คณะแม่บ้านมหาไทยโดยมีคุณหญิงจวบจิรโรธเป็นหัวหน้าคณะได้นำคณะแม่บ้านมหาไทยไปบำเพ็ญสังคมสงเคราะห์ทางภาคอีสานได้ถือโอกาสแวะนมสัส ก, การหลวงปู่เมื่อเวลา18นาิกา20นาที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 เมื่อภาวนาแล้วใจก็สงบกายวาจาก็สงบแล้วกายก็ดีวาจาใจก็ดีเราก็อยู่ดีมีสุขเท่า น, นั้นเองดิฉันมีภาระมากไม่มีเวลาจะนั่งภาวนางานราชการเดี๋ยวนี้รัดตัวมากเหลือเกินมีเวลาที่ไหนมาภาวนาได้คะ่ะหลวงปู่จึงต้องอธิบายให้ฟังว่า ถ้ามีเวลาสำหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนามีแต่ไม่มีปีพุทธศักราช2522หลวงปู่ไปพักผ่อนและเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุ ก, กิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเทระอุโสรูปหนึ่งจากกรุงเทพคือพระธรรมวราลังการวัดบุพพารามเจ้าคณะภาคทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกรรมฐานเมื่อวัยชราแล้วเพราะมีอายุอ่อนกว่าหลวงปู่เพียงปีเดียวเมื่อท่านทราบว่าหลวงปู่เป็นพระฝ่ายกรรมฐานอยู่แล้วท่านจึงสนใจและศึกษาถามถึงผลของการปฏิบัติทานองสนทนาธรรมกันเป็นเวลานาน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 รู้ให้พร้อมระหว่างที่หลวงปู่อยู่รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ น, นั้นมีผู้ไปกราบนมัสการและฟังธรรมเป็นจำนวนมากคุณบำรุงศักด์กองสุขเป็นผู้หนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาในยะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองกระตาปุญโยแห่งวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดฝ่ายธุดงกรรมฐานในยุคปัจจุบันได้ปรารบการปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ถึงเรื่องการละกิเลสว่าหลวงปู่ครับทำอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง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 ประหยัดคพูดณะปฏิบัติธรรมจากจังหวัดบุรีรัมย์หลายท่านมีร้อยตำรวจเอกบุญลชัยสุขคนธรรมัดอายการจังหวัดเป็นหัวหน้ามากราบหลวงปู่เพื่อฟังข้อปฏิบัติธรรมและเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งส่วนมากก็เคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์มาแล้วและแสดงแนวทางปฏิบัติไม่ค่อยจะตรงกัน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 ง่ายแต่ทำได้ยากคณะของคุณดวงพรทารีชัดจากสถานีวิทยุทหารอากาศ0ูนย์หนึ่งบางซื่อนำโดยคุณอาคมทานิเทศเดินทางไปถวายพระป่าและกราบนมัสการครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆทางภาคอีสานได้แวะกราบนมัสการหลวงปู่หลังจากถวายพระป่าถวายจตุปปัจจัยไทยทานแด่หลวงปู่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 ทิ้งเสียสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นชนชั้นครูบาอาจารย์เมื่อฟังธรรมะปฏิบัติจากลุงปู่จบแล้วก็อยากทราบถึงวิธีไว้ทุกข์ที่ถูกต้องตามธรรมเนียมเขาจึงพูดปรารบต่อไปอีกว่าคนสมัยนี้ไว้ทุกข์ไม่ค่อยจะถูกต้องและตรงกันทั้งๆ ท, ที่สมัยรัชกาลที่หกท่านทำไว้เป็นแบบอย่างดีอยู่แล้ว เช่นเมื่อมีญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่ถึงแก่กรรมลงก็ให้ไว้ทุก7วันบ้าง50วันบ้าง100วันบ้างแต่ปรากฏว่าคนทุกวันนี้ทำอะไรรู้สึกว่าลักลั่นกันไม่เป็นระเบียบจึงขอเรียนถามลงปู่ว่าการไว้ทุกที่ถูกต้องนั้นควรไว้อย่างไรลุงปู่บอกว่าทุกต้องกำหนดรู้ เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปไว้มันทำไมจริงตามความเป็นจริงสุภาพสตรีชาวจีนคนหนึ่งถวายสักการะแด่ลงปู่แล้วเขากราบเรียนว่า จะต้องไปอยู่ที่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำมาค้าขายอยู่ใกล้ญาติทางโน้นทีนี้บรรดา ญ, ญาติญาติก็เสนอแนะว่าควรจะขายของชนิดนั้นบ้างชนิดนี้บ้างตามแต่เขาจะเห็นดีว่าอะไรขายได้ดียังมีความลังเลใจตัดสินเอาเองไม่ได้ว่าจะเลือกขายของอะไรจึงให้หลวงปู่ช่วยแนะนำด้วยว่าจะให้ขายอะไรจึงจะดี หลวงปู่ตอบว่าขายอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละถ้ามีคนซื้อไม่ได้ตั้งจุดหมายไว้เมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2422คณะนายทหารประมาณสิบกว่านาย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 เขาไปหาหลวงปู่ขณะที่ท่านนั่งพักผ่อนอยู่ที่มุกสาลากา ร, รเรียนดูอากัปกิริยาของเขาแล้วคงคุ้นเคยกับพระนักเลงองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนแล้วสังเกตจากการนั่งการพูดเขานั่งตามสบายพูดตามถนัดยิ่งกว่านั้นเขาคงเข้าใจว่าหลวงปู่นี้คงสนใจกับเรื่องเครื่องรางของคลัองอย่างดีเขาพูดถึงชื่อเกจิตอาจารย์อื่นๆว่าให้ของดีของวิเศษแกต่ตนหลายอย่าง ในที่สุดก็งัดเอาของมาอวดกันเองต่อหน้าหลวงปู่คนหนึ่งมีเคี่ยวหมูตันคนหนึ่งมีเคี่ยวเสืออีกคนมีนอรัดต่างคนต่างอวดอ้างว่าของตนดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มีคนหนึ่งถามหลวงปู่ว่าอย่างไหนแน่ที่ดีวิเศษกว่ากันหลวงปู่ก็อารมณ์รื่นเป็นพิเศษยิ้มยิ้มแล้วว่าไม่มีดีไม่มีวิเศษอะไรหรอก เป็นของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันปรารพธรรมะให้ฟังคราวหนึ่งหลวงปู่กล่าวปรารบพระธรรมให้ฟังว่าเราเคยตั้งสัจจะอ่านพระไตรปิฎกจนจบในพรรษาปีพุทธศักราช2495 เพื่อสำรวจดูว่าจุดจบของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนที่สุดแห่งศัจธรรมหรือที่สุดของทุกนั้นอยู่ตรงไหนพระพุทธองค์ทรงกล่าวสรุปไว้ว่าอย่างไรรันอ่านไปตรกตรองไปกระทั่งถึงจบก็ไม่เห็นตรงไหนที่มีสัมผัสอันลึกซึ้งถึงจิตของเราให้ตัดสินได้ว่านี่คือที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งมรรคผล หรือที่เรียกว่านิพพานมีอยู่ตอนหนึ่งคือครั้งนั้นพระสารีบุตรออกจากนิโรสมาบัติใหม่ๆพระพุทธเจ้าตรัสถามเชิงสนทนาธรรมว่าสารีบุตรสีผิวของเธอพ่องใส ย, ยิ่งนักวันนักของเธอหมดจดผุดผ่องยิ่งนักอะไรเป็นวิหารธรรมของเธอพระสารีบุตรกราบทูลว่าสุญญตา คือความว่างเปล่าเป็นวิหารธรรมของข้าพระองค์ก็เห็นมีอยู่เพียงแค่นี้แหละที่มาสัมผัสจิตของเราแนะนำตามวิทยาฐานะพระอาจารย์สุจินสุจินโน จบนิติจากธรรมศาสตร์นานแล้วมีความเริ่มใสในทางปฏิบัติธรรมเกยดไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยเป็นเวลาหลายปีต่อมาเมื่อได้ยินกิติศัพท์หลวงปู่ดูลจึงลาหลวงปู่หลุยมาปฏิบัติกับหลวงปู่ตลอดถึงขอบรรพชาอุปสมบทและอยู่ตลอดมาอยู่กับหลวงปู่พอสมควรแก่ความต้องการแล้วจึงกราบลาเพื่อเดินทางทุดงวิเวกต่อไปหลวงปู่แนะนําว่า ส่วนเรื่องของพระวินัยนั้นให้ศึกษาอ่านตำรับตาราให้เข้าใจให้ถูกต้องทุกข้อมูลเพื่อปฏิบัติไม่ให้ผิดส่วนธรรมะนั้นถ้าอ่านมากก็จะมีวิตกวิจารณ์มากจึงไม่ต้องอ่านก็ได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเอาเพียงอย่างเดียวก็พอหมายเหตุผู้อ่านคำแนะนํานี้ก็ตามชื่อเรื่องนะครับ คือแนะนำตามวิทยาฐานะคือตามจริตตามนิสัยตามปัญญาของแต่ละคนแนะนำหลวงตาแนนหลวงตาแนนบวชเมื่อวัยเลยกลางคนไปแล้วหนังสือก็อ่านไม่ออกสักตัว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 ก็มีปัญหาขาดแคลนพระเจ้าอาวาสเราเคยได้ยินต่การแย่งเป็นสมภารกันแต่ลูกศิษย์หลวงปูนั้นต้องปลอบต้องบังคับให้ไปเป็นสมภารไม่เว้นแต่ละปีที่มีญาติโยมยกขบวนมาขอให้หลวงปูส่งพระไปเป็นเจ้าอาวาสเมื่อหลวงปู่เห็นว่าองค์ไหนสมควรไปก็ขอร้องให้ไปส่วนมากเมื่อไม่อยากไปก็มักจะอ้างว่ากระผมก่อสร้างไม่เก่ง อบรมไม่เป็นเทศไม่เป็นประชาสัมพันธ์หรือรับแขกไม่คล่องเป็นต้นจึงยังไม่อยากจะไปหลวงปู่ก็สอนว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่จำเป็นเท่าไรหรอกเรามีหน้าที่ปฏิบัติกิ จ, จวัตรเท่านั้นเองบิณฑบาตฉันแล้วก็นั่งภาวนาเดินจงกรมทำความสะอาดลานวัดเร่งรัดตามธรรมวินยัยแค่นี้ก็พอแล้ว การก่อสร้างอะไรๆมันแล้วแต่ญาติโยมเขาจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เขารารบธรรมะให้ฟังหลวงปู่ส่งน้ำวันละหนึ่งครั้งเวลาบ่ายห้าโมงเฉพาะน้ำร้อนที่ผสมให้อุ่นแล้ว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 ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึง่งคิดไม่ถึงสำนักปฏิบัติแห่งหนึง่งซึ่งเป็นสาขาของหลวงปู่นั่นเองอยู่ด้วยกันเฉพาะพระประมาณห้ารูปอยากจะเคร่งครัดเป็นพิเศษถึงขั้นสมาทานไม่พูดจาการตลอดพรรษา คือไม่ให้มีเสียงเป็นคำพูดออกจากปากใครยกเว้นการสวดมนต์ทาวัดหรือสวดปาติโมกข์เท่านั้นรันออกพรรษาแล้วพากันไปกราบหลวงปู่เล่าถึงการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของพวกตนว่านอกจากปฏิบัติข้อวัดอย่างอื่นแล้วสามารถหยุดพูดได้ตลอดพรรษาอีกด้วยหลวงปู่ฟังและยิ้มหน่อยหนึ่งพูดว่าดีเหมือนกันเมื่อไม่พูดก็ไม่มีโทษทางวาจา แต่ที่ว่าหยุดพูดได้นั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากพระอริยะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติชั้นละเอียดดับสัญญาเวทนาเท่านั้นหละที่ไม่พูดได้นอกนั้นพูดทั้งวันทั้งคืนยิ่งพวกที่ตั้งปฏิญาณว่าไม่พูดนั่นลหละยิ่งพูดมากกว่าคนอื่นเพียงแต่ไม่ออกเสียงให้คนอื่นได้ยินเท่านั้นเอง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 ภิกษุทั้งหลายพระมรรจ์นี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อให้คนมานิยมนับถือมิใช่เพื่ออนิสงลาบสักการะและสันเสริญมิใช่อนิสงเป็นเจ้าลัทธิหรือแก่ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พระมจรรจ์นี้เราประพฤติเพื่อสังวระความสำรวมเพื่อปหานะความละเพื่อวิราคะความหายกำนัดยินดี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 ที่พระพุทธเจ้า <screen> ตร or, ัสว่าภิกูุทั้งหลายสิ่งใดอันบัณดิตทั้งหลายในโลกกล่าวว่ามีอยู่แม้เราตถาคตก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีอยู่สิ่งใดอันบัณดิตทั้งหลายในโลกกล่าวว่าไม่มีแม้เราตถาคตก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายอมไม่วิวาสโต้เถียงกับโลกแต่โลกยอมวิวาสโตเถียงกับเรา ผู้ไม่มีโทษทางวาจาเมื่อวันที่21ดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2526หลวงปู่กำลังอาพาธหนักพักรักษาอยู่ที่ห้องพระราชทานตึกจงก น, นีโรงพยาบาลจุลาลงกรณหลวงปู่สามอากินจโนเดินทางไปเยี่ยมหลวงปู่ถึงห้องพยาบาลขณะนั้นหลวงปู่กำลังนอนพักผ่อนอยู่ เมื่อหลวงปู่สามขยับไปนั่งใกล้ชิดแล้วก็ยกมือไหว้หลวงปู่ก็ยกมือรับไหว้แล้วต่างองค์ก็นั่งอยู่เฉยตลอดระยะเวลานานเมื่อสมควรแก่เวลาอย่างยิ่งแล้วหลวงปู่สามประนมมืออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจำนันจาว่ากระผมกลับก่อนหลวงปู่ดูนว่าอืมตลอดเวลาเกือบสองชั่วโมงได้ยินเพียงแค่นี้เอง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 หรืออากาศอบอ้าวอย่างไรก็ไม่เคยบน่นเวลาเจ็บไข้ไม่สบายหรือเวลาอเผอิญอาหารมาไม่ตรงเวลาแม้จะหิวกระหายแค่ไหนก็ไม่เคยบน่นหรือสําออยหรือแม้รสชาติอาหารจะจืดจางอย่างไรก็ไม่เคยเรียกหาเครื่องปรุงเพิ่มเติมอะไรเลยตรงกันข้ามถ้าเห็นพระเทรารูปไหนชอบเป็นเจ้าขี้เจ้าการขี้บน่นหรือทำสําออย ให้คนอื่นเอาใจเป็นต้นหลวงปู่มักปรารบให้ฟังว่าแค่เนี้ยอดทนไม่ได้หรือถ้าแค่นี้อดทนไม่ได้จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้อย่างไรไม่เบียดเบียนแม้ทางวาจา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 ดีเหมือนกันแต่นักปฏิบัติที่ตื่นอาจารย์ตื่นสำนักใหม่ๆในปัจจุบันนี้มีอยู่มากนักนิยมหวยก็ตื่นอาจารย์บอกใบ้หวยนักนิยมความศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่ชั้นใดนักวิปัสนาก็ย่อมตื่นอาจารย์วิปัสนาชั้นนั้นดังนั้นกลุ่มชนเหล่านี้จึงมีอยู่ไม่ใช่น้อย เมื่อเขาชอบใจอาจารย์องค์ไหนเขาก็กล่าวยกย่ององค์นั้นตลอดถึงชักชวนคนอื่นให้ช่วยนับถือหรือเห็นด้วยกับตนยิ่งปัจจุบันนี้มีพระเทศดังๆมากที่อัดเทพขายเผยแพร่ได้อย่างมากมายมีอุบาสิกานักฟังผู้หนึ่งนำเทพนักเทศดังไปถวายให้หลวงปู่ฟังหลายมวนแต่หลวงปู่ไม่ได้ฟังเพราะตั้งแต่ท่านเกิดมา ยังไม่เคยมีวิทยุหรือมีเทปกับเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือสมมุติว่าถ้ามีท่านก็คงเปิดฟังไม่เป็นต่อมามีผู้เอาเครื่องเทปไปเปิดให้หลวงปู่ฟังจบหลายม้วนแล้วถามท่านว่าฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างหลวงปู่ว่าดีเหมือนกันสำนวนโวหารสละสลวยหน้าฟังทั้งรวยด้วยคำพูดแต่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ การฟังแต่ละครั้งนั้นควรให้ได้อัธรสของปริยัตปฏิบัติปฏิเวทจึงจะเป็นสาระแก่นสารนักปฏิบัตหลังเลใจปัจจุบันนี้ศาสนิกชน ผู้สนใจในการปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนามีความงวยงงสงสัยอย่างยิ่งในแนวทางปฏิบัติโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสนใจเนื่องจากคณาจารย์ฝ่ายวิปัสนาแนวปฏิบัติไม่ตรงกันยิ่งกว่านั้นแทนที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจโดยความเป็นธรรมก็กลับทำเหมือนไม่อยากจะยอมรับคณาจารย์อื่นสำนักอื่นว่าเป็นการถูกต้อง หรือถึงขั้นดูหมิ่นสำนักอื่นไปแล้วก็เคยมีไม่น้อยดังนั้นเมื่อมีผู้สงสัยทํานองนี้มากแล้วเรียนถามหลวงปู่อยู่บ่อยๆจึงได้ยินหลวงปู่อธิบายให้ฟังอยู่เสมอว่าการเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้นจะเริ่มต้นโดยวิธีไหนก็ได้และผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วที่ท่านสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้น เรจริตของคนไม่เหมือนกันจึงต้องมีวัตถุสีแสงและคำสำหรับบริกรรมเช่นพุโทโธอรหังเป็นต้นเพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อนเมื่อจิตรวมสงบแล้วคำบริกรรมนั้นก็หลุดหายไปเองแล้วก็ถึงรอยเดียวกันรสเดียวกันคือมีวิมุตเป็นแก่นมีปัญญาเป็นยิ่ง อยู่ก็อยู่ให้เหนือผู้ที่เข้าในมันส ก, การหลวงปู่ทุกคนและทุกครั้งมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้หลวงปู่จะมีอายุใกล้ร้อยปีแล้วก็จริงแต่ดูผิวพรรณยังผ่องใสและสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีแม้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านตลอดมาก็ยากที่จะได้เห็นท่านแสดงอาการหมองคล้ำ หรืออิดโรยหรือหน้านิ้วคิ้วขมวดออกมาให้เห็นท่านมีปกติสงบเย็นเบิกบานอยู่เสมอมีอาภาษน้อยมีอารมณ์ดีไม่ตื่นเต้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เผลอคล้อยตามคำสันเสริญหรือคำตำหนิตีเตียนมีอยู่ครั้งหนึ่งทํากลางพระเทระฝ่ายวิปัสนาสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติกับหลวงปู่ถึงปกติจิตที่อยู่เหนือความทุกข์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 เพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงประเภทสองศึกษาปฏิบัติเพื่ออวดภูมิกันถกเถียงกันไปวันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นใครจำตำราหรืออ้างครูบาอาจารย์ได้มากก็ถือว่าตนเป็นคนสำคัญบางทีเข้าไปหาหลวงปู่แทนที่จะถามธรรมะข้อปฏิบัติจากท่านก็กลับพ้นความรู้ความจำของตนให้ท่านฟังอย่างวิจิตพิสดารก็เคยมีไม่น้อย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 ยอมเป็นบุญเป็นกุศลขั้นสูงต่อจากการบริจาคทานรักษาศีลเคยมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากเรียนถามหลวงปู่ว่าอุตสาพยายามภาวนาสมาธินานมาแล้วแต่จิตไม่เคยสงบเลยแส่ออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยมีวิธีอื่นใดบ้างที่พอจะปฏิบัติได้หลวงปู่เคยแนะนำวิธีอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าจิตไม่สงบ ก็ไม่ควรให้มันออกไปไกลใช้สติระลึกไปแต่ในกายนี้ดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภาษสัญญาหาสาระแก่นสารไม่ได้เมื่อจิตมองเห็นชัดแล้วจิตก็เกิดความสลดสังเวชเกิดนิพพิธาความนายคลายกำหนัดยอมตัดอุปาทานขันได้เช่นเดียวกัน หลักธรรมแท้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติชอบพูดถึงคือชอบโจทย์ขานกันว่านั่งภาวนาแล้วเห็นอะไรบ้างปรากฏอะไรมาบ้างหรือไม่ก็ว่าตนนั่งภาวนามานานแล้วไม่เคยเห็นปรากฏอะไรออกมาบ้างเลยหรือไม่บางคนก็ว่าตนได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอ ทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าภาวนาแล้วตนจะได้เห็นสิ่งที่ต้องการเป็นตน้นหลวงปู่เคยเตือนว่าการปรารถนาเช่นนั้นผิดทั้งหมดเพราะการภาวนานั้นเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงหลักธรรมที่แท้จริงนั้นคือจิตให้กำหนดดูจิตให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้ง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 หุงหาอาหารอย่างดีคอยใส่บาตรก่อนใส่เขายกอาหารขึ้นท่วมหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานครั้นใส่แล้วก็ถอยไปย่อตัวยกมือว่าอีกครั้งหนึ่งที่เขาทำเช่นนั้นก็เพื่อต้องการบุญต้องการกุศลจากเรานั่นเองแล้วเราเ่ามีบุญกุศลอะไรบ้างที่จะให้เขาได้ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับเอาของเขามากินแล้วหรือ หนักๆ ก, ก็มีบ้างพระอาจารย์สําเร็จบวชมาแต่วัยเด็กจนอายุใกล้ห0สิปีแล้วเป็นพระฝ่ายวิปัสนาปฏิบัติเคร่งครัดชื่อเสียงดีมีคนเคารพนับถือมากแต่ที่สุดก็ไปไม่รอดจิตใจเสื่อมลงเนื่องจากไปหลงรักลูกสาวของโยมอุปถาคถึงขั้นมาขอลาหลวงปู่ศึกเพื่อจะไปแต่งงาน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 ได้เรียกมาตักเตือนแก้ไขอย่างไรก็ไม่สําเร็จสุดท้ายอาจารย์สำเร็จกล่าวต่อหลวงปู่ว่ากระผมอยู่ไม่ได้เพราะนั่งภาวนาที่ไรเห็นใบหน้าเขามาล่องลอยปรากฏ ต, ต่อหน้าอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ตอบเสียงดังว่าก็ไม่ภาวนาดูจิตของตัวเองไปภาวนาดูก้นของเขามันก็เห็นแต่ก้นเขาอยู่ร่ำไปนั่นแหละไป อยากไปไหนก็ไปตามสบายไปเถอะมีปกติไม่ว่าเกี่ยวอยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่เป็นเวลานา น, าน30สิบกว่าปีจนถึงวาระสุดท้ายของท่านนั้นเห็นว่าหลวงปู่มีปฏิปทาตรงต่อพระธรรมวินยัย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 หลวงปู่ว่าเอาไปทำไมของสกรปรกทำโดยกิริยาบางครั้งอาตมานึกไม่สบายใจ เกรงว่าตัวเองจะมีบาปที่เป็นผู้มีส่วนทำให้หลวงปู่ต้องแวะเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านไม่สนใจหรือไม่ถนัดใจครั้งแรกคือวันนั้นหลวงปู่ไปร่วมงานเปิดพิพิธภัณฑ์บริการท่านอาจารย์มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสสกล น, นครมีพระเทระฝ่ายวิปัสสนามากประชาชนก็มากเขาเหล่านั้นจึงถือโอกาสเข้าหาครูบาอาจารย์ทั้งเพื่อกราบเพื่อขอ จึงมีหลายคนที่มาขอให้หลวงปู่เป่าหัวเมื่อเห็นท่านเฉยอยู่จึงขอร้องท่านว่าหลวงปู่เป่าให้เขาให้เล่วๆไปท่านจึงเป่าให้ต่อมาเสียไม่ได้ก็เจิมรถให้เขาทนอ่อนวอนไม่ได้ก็อนุญาตให้เขาทำเหรียญอดสงสารไม่ได้ก็จุดเทียนชัยให้และเข้าพิธีพุท ธ, ธาพิเศษวัตถุมงคล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 ตรัสรูพร้อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานวิธีระ ง, งับดับทุกข์แบบหลวงปู่ระหว่างพุทธศักราชส2งพโลกธรรมฝ่ายอนิธารมม อ, อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจกำลังครอบงำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาไทยอย่างหนักคือเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาและทุกข์แน่นอนความทุกโศกอันนี้ย่อมปกคลุมถึงบุตรภรรยาด้วยจนมีอยู่วันหนึ่งคุณหญิงคุณนายหลายท่านได้ไปนมัสการหลวงปู่พรรณ น, า, นาถึงความทุกโศกที่กาลังได้รับอยู่เพื่อให้หลวงปู่ได้แนะวิธี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 เมื่อกล่าวถึงสัจธรรมแล้วยอมลงสู่กระแสเดียวกันมีท่านผู้คงแก่เรียนหลายท่านชอบถามว่าคำกล่าวหรือเทศของหลวงปู่ดูคล้ายนิกายเซนหรือคล้ายมาจากสูตรเว้ยหลางเป็นต้นอาตมาเรียนถามหลวงปู่ก็หลายครั้งในที่สุดท่านกล่าวอย่างเป็นกลางว่าสัจธรรมทั้งหมด มีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจธรรมนั้นแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเพราะอัธยาศัยของสัตว์ไม่เหมือนกันหยาบบ้างประนีตบ้างพระองค์จึงเปลืองคำสอนไว้มากถึง 84,000 พันพระธรรมขันธ์เมื่อมีนักปราชฉลาดสรรหาคำพูดให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะอธิบายสัจธรรมนั้นนามาตีแผ่เผยแจ้งแก่ผู้มุงสัจธรรมด้วยกัน เราย่อมจะต้องอาศัยแนวทางในสัตธรรมนั้นที่ตนเองไตรตรองเห็นแล้วว่าถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนำแผ่ออกไปอีกโดยไม่ได้คำหนึ่งถึงคำพูดหรือไม่ได้ยึดติดในอักระพยัญชนะตัวใดเลยแม้แต่น้อยเดียว ละเอียดหลวงพ่อเบสวัดป่าโคกหมอนได้เข้าสนทนาธรรมถึงการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาเราถึงผลของการปฏิบัติขั้นต่อต่อไปว่าแด่บำเพ็ญสมาธิภาวนามานานแล้วให้จิตเข้าถึงอัปนาสมาธิได้เป็นเวลานานๆก็ได้ครั้นถอยจากสมาธิออกมาบางทีก็เกิดความสุขเอิบอิ่มอยู่เป็นเวลานา น, าน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 ในสมัยต่อมาหลวงพ่อเบสพร้อมด้วยพระสหธรร ม, มิกอีกสองรูปและมีเครือขัดหลายคนด้วยเข้านมัสการหลวงปู่หลังจากหลวงปู่ได้แนะนําข้อปฏิบัติแก่ผู้ที่เข้ามาใหม่แล้วหลวงพ่อเบสถามถึงข้อปฏิบัติที่หลวงปู่แนะเมื่อคราวที่แล้วว่าการปล่อยวางอารมณ์นั้นทําได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นไม่อาจให้อยู่ได้เป็นเวลานาน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 สำคัญผิดจากความเป็นจริงอยู่ร่ำไปรู้จากการเรียนกับรู้จากการปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาวิมุตติกระผมจำจากตำราและฟังครูสอนนั้นจะตรงกับเนื้อหาตามที่หลวงปู่เข้าใจหรือไม่ หลวงปู่อธิบายว่าศีลคือปกติจิตที่อยู่ปราศจากโทษเป็นจิตที่มีกราะกำบังป้องกันการกระทําชั่วทุกอย่างสมาธิผลสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลคือจิตที่มีความมั่นคงมีความสงบเป็นพลังที่จะส่งต่อไปอีกปัญญา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 อุบายคลายความยึดเมื่อกระผมทำความสงบให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาจิตให้ดำรงอยู่ในความสงบนั้นแต่ครั้นกระทบกระทั่งกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็มักจะสูญเสียสถานที่พยายามทำรงไว้นั้นร่ำไปหลวงปู่ว่าถ้าเช่นนั้น แสดงว่าสมาธิของตนยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอถ้าเป็นอารมณ์แรงกล้าเป็นพิเศษโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นจุดอ่อนของเราแล้วต้องแก้ด้วยวิปัสนาวิธีจงเริ่มต้นด้วยการพิจารณาสภาวะธรรมที่หยาบที่สุดคือกายแยกให้ละเอียดพิจารณาให้แจม่มแจ้งขยับถึงพิจารณานามธรรมอะไรก็ได้ดีละคู่ ที่เราเคยแยกพิจารณามาก็มีความดำความขาวความมืดความสว่างเป็นต้นเรื่องกินกระผมได้ปฏิบัติทางจิตมานานก็พอมีความสงบอยู่บ้างแต่มีปัญหาทางอาหารบริโภคเนื้อสัตว์ คือเพียงแต่เห็นก็นึกเวทนาไปถึงเจ้าของเนื้อนั้นว่าเขาต้องสูญเสียชีวิตเพื่อเราผู้บริโภคแท้คล้ายกับว่าเราผู้ปฏิบัติจะขาดเมตตาไปมากเมื่อเกิดความกังวลใจเช่นนี้ก็ทำความสงบใจได้ยากหลวงปู่ว่าภิกษุจะบริโภคปัจจัยสีต้องพิจารณาเสียก่อนเมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าการกินเนื้อสัตว์คล้ายเป็นการเบียดเบียนและขาดเมตตาต่อสัตว์ตก็ให้งดเว้นการฉันเนื้อเสียพากันฉันอาหารเจต่อไปสมัยต่อมาประมาณสี่เดือนภิกษุกลุ่มนั้นมากราบเรียนหลวงปู่อีกหลังจากออกพรรษาแล้วบอกว่าพวกกระผมฉันเจามาตลอดพรรษาด้วยความยากลาบากอย่างยิ่งระญาติโยมแถวบ้านโค้กลาง อำเภอรปราศาส์นั้นไม่มีใครรู้เรื่องอาหารเจเลยลำบากด้วยการสแสวงหาและลำบากแก่ญาติโยมผู้อุ ป, ปถักต์บางรูปถึงสุขภาพไม่ดีบางรูปเกือบไม่พ้นพรรษาการทำความเพียรก็ไม่เต็มที่เท่าที่ควรหลวงปู่ว่าภิกษุเมื่อจะบริโภคปจัจจัยสีต้องพิจารณาเสียก่อน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 ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันเรื่องกินอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันแรมสองค่ำเดือนสามพุทธศักราช5อ2หยหลวงปู่พักอยู่ที่วัดป่าประโคนชัย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 คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่สงสัยว่าเขาเจาะจงได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ผิดธรรมผิดวินัยแต่ประการใดอันหนึง่งที่ว่าจิตใจสงบเยือกเย็ยนดีนั้นก็เป็นผลเกิดขึ้นจากพลังของการตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่เกี่ยวกับอาหารใหม่อาหารเก่าที่อยู่ในท้องเลย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 ความหลังยังฝังใจครั้งหนึ่งหลวงปู่ไปพักพ่นที่วัดปา่าโยธาประสิทธิ์พระเนนจำนวนมากมากราบนมัสการหลวงปู่ปังโอวาทของหลวงปู่แล้วหลวงตาพลอยผู้บวชเมื่อแก่แต่สำรวมดีได้ปรารบถึงตนเองว่ากระผมบวชมาก็นานพอควรแล้ว ยังไม่อาจตัดห่วงอะไรในอดีตได้แม้จะตั้งใจอย่างไรก็ยังเผลอจนได้ขอทราบปู่บายวิธีอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติตามแนวนี้ต่อไปด้วยครับกระผมหลวงปู่ว่าอย่าให้จิตใจลั่นไปสู่อารมณ์ภายนอกถ้าเผลอเมื่อรู้ตัวให้รีบดึงกลับมาอย่าปล่อยให้มันรู้อารมณ์ดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ ไม่คล้อยตามและไม่หักหารหลวงปู่กับเกจิอาจารย์เมื่อประมาณพุทธศักราช 2,520 หลวงปู่รับนิมนต์ไปร่วมพิธีกรรมที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิท ในงานนี้ท่านรับนิมนต์เข้าไปนั่งปรกในพิธีพุทธาพิเศษวัตุมงคลด้วยเมื่อเสร็จพิธีแล้วออกมานั่งพักที่กุฏิเล็กๆแห่งหนึ่งสนทนากับเหล่าศิยานุสิ์ที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงเทพเป็นจำนวนหลายรูปและคงจะมีรูปใดรูปหนึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นหลวงปู่เข้าพิธีพุทธาพิเศกเพิ่งเห็นครั้งนี้เองเช่นนี้กระมังหลวงปู่จึงว่า อาจารย์องค์อื่นๆเขานั่งโปรกนั่งพุท ธ, ธาพิเศษอย่างไรเราไม่รู้ส่วนตัวเรานั่งทำสมาธิอย่างเดียวตามแบบฉบับของเราอยากเรียนเก่งได้ฟังคุณตาสระศักิ์กองสุข แนะนำว่าถ้าใครต้องการเรียนเก่งและฉลาดต้องหัดนั่งภาวนาทำสมาธิให้ใจสงบเสียก่อนหนูอยากจะเรียนเก่งเรียนฉลาดอย่างเขาจึงพยายามนั่งภาวนาทำใจให้สงบแต่ใจมันก็ไม่ยอมสงบสักทีบางทีก็ยิ่งทวีความฟุ้งซ่านมากขึ้นก็มีเมื่อใจไม่สงบเช่นนี้ทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่งหลวงปู่ว่า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 ไปทุดงเพื่ออะไรพระเนรบังกลุ่มหลังจากออกพรรษาแล้วนิยมพากันออกเที่ยวทุดงไปในที่ต่างๆมีการตระเตรียมบริคารหรือชุดทุดงกันอย่างครบเครื่องแต่ในการไปนั้นมีอยู่หลายรูปที่ไปแบบผิดเป้าหมายเช่นส่งเครื่องกรรมฐานไปรถทัวร์รถไฟบ้าง เที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนฝูงตามสำนักงานต่างๆบ้างหลวงปู่จึงกล่าวท่ามกลางคณะกรรมฐานว่าการกระทาตนเป็นพระธุดงรูปงามนั้นย่อมไม่ควรผิดวัตถุประสงค์ของการเดินธุดงทุกองค์พึงสำเนียกให้มากว่าการประพฤติธูดงกรรมฐานนั้นมุ่งการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้ปราศจากกิเลสประการเดียวเท่านั้น การไปทุดงกรรมฐ า, านแต่ตัวส่วนใจไม่ไปนั้นไม่เป็นการประเสริฐเลยหยุดก็ต้องหยุดให้เป็นนักปฏิบัติกราบเรียนหลวงปู่ว่ากระผมพยายามหยุดคิดหยุดนึกให้ได้ตามที่หลวงปู่เคยสอน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 มีอยู่จุดเดียวในนามสัตว์ทิวิหาริกของหลวงปู่คือพระที่หลวงปู่เป็นอุปชาให้มีพระมหาทวีสุขสอบประเรียนก้าประโยคได้เป็นองค์แรกทางวัดบูรพารามจึงจัดฉลองพัดประโยคก้าถวายหลังจากพระมหาทวีสุขถวายสักการะแกหลวงปู่แล้วท่านได้ให้โอวาดแบบปรารบธรรมว่า ผู้ที่สามารถสอบปเปลี่ยนก้าวประโยคได้นั้นต้องมีความเพียรอย่างมากและมีความฉลาดเพียงพอเพราะถือว่าเป็นการจบหลักสูตรฝ่ายปริยัตและต้องแตกฉานในพระไตรปิฎกการสนใจทางปริยัตเพียงอย่างเดียวพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องสนใจปฏิบัติทางจิตต่อไปอีกด้วยหลวงปู่กล่าวว่าพระธรรมทั้ง 84% พันพระธรร ม, มขันนั้น ออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรคนได้ที่จิตโลกกับธรรมะ วันที่ส2องมีนาคมพุทธศักราช2522หลวงปู่ไปพักผวิเวกอยู่ที่วัดถ้ำสีแก้วภูพานสกล น, นครเป็นเวลาสิบกว่าวันคำวันสุดท้ายที่หลวงปู่จะเดินทางกลับท่านอาจารย์สุวั์พร้อมพระเนเนในวัดเข้าไปกราบหลวงปู่เพื่อการอําลาให้หลวงปู่ท่านกล่าวว่าพักผ่อนอยู่ที่นี่สบายดีอากาศดีภาวนาก็สบาย นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อสมัยเที่ยวทุดดงแล้วหลวงปู่ก็กล่าวทันโมวาดมีความตอนหนึ่งว่าสิ่งใดซึ่งสามารถรู้ได้สิ่งนั้นเป็นของโลกสิ่งใดไม่มีอะไรจะรู้ได้สิ่งนั้นคือธรรมะโลกมีของคู่อยู่เป็นนิดแต่ธรรมะเป็นของสิ่งเดียวรวด ควรถามหรือไม่ผู้สนใจในทางปฏิบัติหลายท่านไม่ว่าบรรพชิตหรือเขาริหัดบางท่านนอกจากจะตั้งใจปฏิบัติเอาเองแล้วยังชอบเที่ยวแสวงหาครูอาจารย์ที่มีความชำนาในการแนะนำสั่งสอนปั่งธรรมะจากท่านเป็นต้นก็มีพระนักปฏิบัติคณะหนึ่งจากภาคกลาง ไปพักอยู่หลายวันเพื่อฟังธรรมและเรียนถามกรรมฐานกับหลวงปู่องค์หนึ่งพันนาความรู้สึกของตนว่าระผมเข้าหาครูบาอาจารย์มาก็หลายองค์แล้วท่านก็สอนดีอยู่หรอกแต่ส่วนมากมักสอนแต่เรื่องระเบียบวินยัยหรือวิธีทุดงกรรมฐานและความสุขความสงบอันเกิดจากสมาธิเท่านั้นส่วนหลวงปู่นั้นสอนทางลัดถึงสิ่งสุดยอดอนัตตาสุญญาตาถึงพระนิพพาน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 หลวงพ่อเบตซึ่งเป็นญาติย่างใกล้ชิดของหลวงปู่อยู่ที่วัดโคกมอนแม้ท่านจะบวชเมื่อวัยชราแต่ก็เคร่งครัดต่อการปฏิบัติทุดงกรรมฐ า, านอย่างยิ่งหลวงปู่เคยยกย่องว่าปฏิบัติได้ผลดีวันหนึ่งท่านอาพาธหนักใกล้จะมรณาภาพแล้วท่านปรารบว่าอยากเห็นหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลาตายอาตมาเรียนหลวงปู่ให้ทราบเมื่อหลวงปู่ไปถึงแล้ว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 ล่อยวางทั้งหมดในที่นี้หมายถึงออกจากชานและดับพร้อมหวังผลไกลเมื่อมีแขกหรืออุบาศกอุบาสิกา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 ในศาสนาสมณะโคดมในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์กลับเหลวไหลไม่สนใจเมื่อถึงศาสนาพระศรีอานก็ยิ่งเหลวไหลมากกว่านี้อีกโลกนี้มันก็มีเท่าที่เราเคยรู้มาแล้วนั่นเอง บางครั้งที่หลวงปู่สังเกตเห็นว่าผู้มาปฏิบัติยังลังเลใจเสียดายในความสนุกเพลิดเพลินแบบโลกล้วนจนไม่อยากละมาปฏิบัติธรรมท่านแนะนำชวนคิดให้เห็นชัดว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสารวจดูความสุขว่าตรงไหนที่ตนเห็นว่ามันสุขที่สุดในชีวิตครั้นสารวจดูแล้วมันก็แค่นั้นแหละแค่ที่เราเคยรู้เคยพบมาแล้วนั่นเอง ทำไมจึงไม่มากกว่านั้นมากกว่านั้นไม่มีโลกนี้มีอยู่แค่นั้นเองแล้วก็ซ้ำซ้ำซากซากอยู่แค่นั้นเกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่ำไปมันจึงน่าจะมีความสุขชนิดพิเศษกว่าประเสริฐกว่านั้นปลอดภัยกว่านั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านจึงสละสุขส่วนน้อยนั้นเสียเพื่อสแสวงหาสุขอันเกิดจากความสงบกายสงบจิตสงบกิเลส เป็นความสุขที่ปลอดภัยหาสิ่งใดเปรียบมิได้เลยไม่ยากสำหรับผู้ไม่ติดอารมณ์วัดบูรพารามที่หลวงปู่ประจำอยู่ตลอดห้าสิบปีไม่มีได้ไปจำพรรษาที่ไหนเลย เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองนาซลากลางติดกับสารจังหวัดสุรินด้วยเหตุนี้จึงมีเสียงรบกวนความสงบอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูงานช้างแฝดหรือฤดูเทศกาลแต่ละอย่างแสงเสียงอึกทึกครึครื้นตลอดเจวันบ้าง15วันบ้างภิกษุสามเณรผู้มีจิตใจยังอ่อนไหวอยู่ยอมได้รับความกระทบกระเทือนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อนําเรื่องนี้มากราบเรียนหลวงปู่ที่ไรก็ได้คำตอบทำนองเดียวกันทุกครั้งว่ามัวสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเราไม่ใส่ใจฟังสิงอย่างก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เอง เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ท่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองบางทีฟังแล้วก็งงและทึ่งอาตมามีส่วนเสียอยู่อย่างหนึ่ง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 เพราะไม่เคยพบในตำราและไม่เคยได้ยินมาก่อนและยิ่งกว่านั้นเพิ่งจะได้ฟังท่านพูดเมื่ออ า, าพาธหนักและใกล้จะมรณะภาพด้วยหลวงปู่ตอบว่าเทวดาจะมาชมรมกันจำนวนกี่ล้านโกรก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะในเนื้อที่หนึ่งปรมานูเทวดาอยู่ได้ถึงแดองค์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 กล่าวเตือนบางครั้งหลวงปู่แทบจะรำคาญกับพวกที่ปฏิบัติเพียงไม่กี่มากน้อยก็มาถามแบบเร่งผลให้ทันตาเห็นท่านกล่าวเตือนว่าการปฏิบัติให้มุ่งปฏิบัติเพื่อสํารวมเพื่อความละเพื่อความคลายกําหนัดยินดีเพื่อความดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์วิมาน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 ละอย่างหนึ่งติดอีกอย่างหนึ่งลูกศิษย์ฝ่ายขรืหัดผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเข้าในมัสการหลวงปู่รายงานผลการปฏิบัติให้หลวงปู่ฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้พบหลวงปู่วันนี้ด้วยกระผมปฏิบัติตามที่หลวงปู่เคยแนะนำก็ได้ผลไปตามลำดับคือเมื่อลงมือภาวนา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 จะเอาอะไรมาเปรียบไม่ได้แต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นแหละยังไม่เกิดปัญญาอาริยมรรคที่จะตัดภพชาติตัณหาอุปาทานได้ให้ละสุกนั้นเสียก่อนแล้วพิจารณาคันห้าให้แจมแจ้งต่อไปปรารภธรรมะเปรียบเทียบ จิตของพระอริยะเจ้าชั้นโลกรุตระนั้นแม้จะยังอยู่ในโลกคลุกคลีกับสิ่งแวดล้อมโดยสถานใดก็ไม่อาจจูงจิตของท่านให้ไข้เขวเสือปนกับสิ่งเหล่านั้นได้คือโล ก, กธรรมไม่อาจครอบงำจิตได้เลยคือจิตไม่อาจกลับกลายไปเป็นจิตปุตุชนได้อีกไม่อาจกลับไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลตันหาได้อีกเปรียบเหมือนกะทิมะพร้าวที่คั้นออกมาแล้ว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 มรคนิพพานเป็นสิ่งปัจจตังคือรู้เห็นได้จำเพาะตนโดยแท้ผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงผู้นั้นเห็นเองแจมแจ้งเองหมดสงสัยในพระศาสนาได้โดยสิ้นเชิงมิฉะนั้นแล้วจะต้องเดาเอาอยู่ร่ำไปแม้จะมีผู้สามารถอธิบายให้ลึกซึ้งอย่างไรก็รู้ได้แบบเดาสิ่งใดยังเดาอยู่สิ่งนั้นก็ยังไม่แน่นอน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 เมื่อเย็นวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2524หลังจากหลวงปู่กลับจากพระราชพิธีในพระราชวังกำลังพักผ่อนอยู่ที่พระตำหนักทรงพระถวัดบวรนิเวศมีท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นนักปฏิบัติภาวนาองค์หนึ่งเข้าไปเยี่ยมสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขึ้นต้นด้วยคำถามว่าเขาว่าคนที่เป็นยักษ์ในชาติปางก่อนกลับมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นั้น เรียนคาถาอาคมอะไรก็ศักดิ์สิสทธิ์ไปทุกอย่างเป็นความจริงแค่ไหนหลวงปู่ลุกขึ้นนั่งฉับไวแล้วตอบว่าผมไม่เคยได้สนใจเรื่องอย่างนี้เลยท่านจจคุณเคยภาวนาถึงตรงนี้ไหมอสิตุบบาทคือยิริยาที่จิตยิ้มเองโดยปราศจากเจตนาที่จะยิ้มเกิดในจิตของเราพระอริยาเจ้าเท่านั้นไม่มีในสามัญชน เพราะผลเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งแล้วเป็นอิสระด้วยตัวมันเองแค่สีลห้าก็ไม่มีพระมหาเทระผู้ใหญ่แต่ละรูปนั้นย่อมจะมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากทั้งขรืหัดและบรรพชิต บรรดาศิษย์เหล่านั้นจึงมีทั้งดีและเลวโดยเฉพาะศิษย์ฝ่ายพระองค์ที่ดีก็ดีถมเถไปองค์ที่เลวก็พอมีป่าปนอยู่บ้างเช่นมีพระผู้ใกล้ชิดองค์หนึ่งชอบถือวิสาสะจนเกินควรคือชอบหยิบเอาข้าวของบางอย่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตมีผู้บอกหลวงปู่ให้ทราบแต่หลวงปู่ก็ชอบวางเฉยอยู่แล้วรังหนึ่ง ท่านต้องการใช้ของอันนั้นจึงใช้ให้พระอีกองค์หนึ่งไปถามหาแต่ถูกปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ออกไปพระองค์นั้นจึงกลับมาบอกหลวงปู่ว่าเขาปฏิเสธว่าไม่ได้เอาหลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่พูดออกมานิดหนึ่งว่าพระบางองค์หมแต่ตั้งใจรักษาศีล2 2งจจนลืมรักษาศีลห้า ไม่เคยเห็นวันไหวในเหตุการณ์อะไรเวลาสีทุ่มผ่านไปแล้วเห็นหลวงปู่ยังนั่งพักผ่อนอยู่ตามสบายจึงเข้าไปกราบเรียนว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ข่าวมรณภาพเสียแล้วหลวงปู่ก็แทนที่จะถามว่าด้วยเหตุใดเมื่อไรก็ไม่ถามกลับพูดต่อไปเลยว่าเออ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 มันก็ยังอยู่กับสิ่งเหล่านี้เองเพียงแต่จิตที่ฝึกดีแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมละแล้วระ ง, งับได้เร็วไม่กังวลไม่ยึดถือหมดภาระเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมันก็แค่นั้นเอง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 ก็ยอมได้เลื่อนฐานะของตนเองโดยลำดับหรือถ้าสวรรค์นิพพานไม่มีเลยผู้ปฏิบัติดีแล้วในขณะ น, นี้ก็ยอมไม่ไร้ประโยชน์ยอมอยู่เป็นสุขเป็นมนุษย์ชั้นเลิศการฟังจากคนอื่นการค้นคว้าจากตำรานั้นไม่อาจแก้ข้อสงสัยได้ต้องเพียรปฏิบัติทำวิปัสสนาให้แจ้งความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิง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 แล้วก็ไม่เบียดเบียนกันพากันกระหยิ่มยิ้มย่องในผลบุญของตนส่วนการที่จะขจัดกิเลสเพื่อทำลายอาวิชชาตัณหาอุปาทานเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั้นอีกอย่างหนึ่งต่างหากไม่มีนิทานสาทก อยู่ใกล้จิตหลวงปู่ตลอดระยะเวลายาวนานคำสอนของท่านไม่เคยมีนิทานสาทกหรือนิทานสนุกอะไรที่หลวงปูยยกมาบรรยายให้ฟังสนุกสนุกเลยไม่ว่าชาดกหรือเรื่องประกอบในปัจจุบันคำสอนของท่านล้วนแต่เป็นสัจธรรมขั้นปรมัตาหรือไม่ก็เป็นคําจำกัดความอย่างกระทัดรัดชนิดปรมดระวังหรือคล้ายประหยัดคาพูดอย่างยิ่ง แม้แต่การสอนพิธีกรรมหรือศาสนะพิธีและการทำบุญบริจาคทานอะไรในระดับศีลธรรมหลวงปู่ทำแบบปล่อยวางหมดส่วนมากหลวงปู่กล่าวว่าเรื่องพิธีกรรมเรื่องบุญกิริยาวัตถุต่างๆทั้งหลายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังให้เกิดกุศลได้อยู่หากแต่ว่าสำหรับนักปฏิบัติแล้วอาจถือด้วว่าเป็นไปเพื่อกุศลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอง ลหลังจากเปิดพิพิธภัณฑ์ท่านอาจารย์มั่นแล้วหลวงปู่เดินทางต่อไปเพื่อเยี่ยมท่านอาจารย์ฟันที่ถ้ำขามสมัยนั้นรถใหญ่ไปได้แค่เชิงเขาหลวงปู่ต้องปีนเขาจากที่ไกลด้วยความเหนื่อยยากอย่างยิ่งท่านต้องหยุดพักเหนื่อยหอบเป็นระยะหลายครั้งอาตมาทุกใจมากที่มีส่วนทําให้หลวงปู่ต้องทรมานสังขารถึงป่านนั้น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 กล่าวแสดงความยินดีกับหลวงปู่ว่าท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงดีแท้อายุปูนี้แล้วยังสามารถขึ้นทำขามได้หลวงปู่กล่าวว่าก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอกผมตริตรองดูแล้วเห็นว่าไม่มีวิบากของสังขารเมื่ออาศัยไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเลยเท่านั้นแหละ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 ปรากฏว่าฟิล์มที่อุตสาหะทายไม่ต่ำกว่า20ครั้งนั้นมีลักษณะใสสะอาดเสมือนหนึ่งท้องฟ้าที่ปราศจากหมอกเมฆฉะนั้นความหวังที่จะได้รูปก็สิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นการพบกันของพระเทระสำคัญทั้งสมท่านนั้นเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายแล้ว ว่าไปตามความเป็นจริงอย่างไรเมื Susan, it, youth, ่อม well, ีผู้ถามว่าหลวงปู่เคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นที่มีหลายท่านเขียนไว้อย่างมากมายไหมหลวงปู่ก็ตอบว่าเคยอ่านเหมือนกันที่เขาเขียนถึงอภินิหารของท่านต่างๆนานานั้นหลวงปู่เข้าใจว่าอย่างไรหลวงปู่ว่าเมื่อสมัยเราเคยอยู่กับท่าน ก็ไม่เห็นท่านเล่าบอกว่าอย่างไรตามปกติของหลวงปู่เมื่อท่านเล่าถึงท่านอาจารย์ท่านจะพูดถึงเฉพาะกิจทุดงของท่านอาจารย์มั่นเท่านั้นว่าผู้ที่ถือทุดงในรุ่นต่อมายังไม่เห็นมีใครถือได้เคร่งครัดเท่าท่านเลยแม้แต่คนเดียวนุ่งห่มเฉพาะผ้าบางสุกุลที่ตัดเย็บย้อมเองไม่ใช่ผ้าสําเร็จรูปจากคนอื่นอยู่เสนาสนาป่าตลอดชีวิต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 ด้วยความคุ้นเคยและอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มาเป็นเวลานานเมื่ออัตมามาถามปัญหาอะไรท่านหลวงปู่ท่านมักจะตอบด้วยการย้อนถามกลับคืนทำนองให้คิดหาคำตอบเอาเองเช่นถามว่าพระอระหรันท่านมีใจสะอาดสว่างแล้วท่านอาจรู้เลขหวยได้อย่างแม่นยำหรือครับท่านตอบว่าพระอระหรันท่านใส่ใจเพื่อจะรู้สิ่งเหล่านั้นเองหรือ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 หมอบางคนทั้งที่ตนเองยังมีโรคอยู่แต่ก็เคยรักษาคนอื่นให้หายจากโรคได้ก็มีอยู่ทั่วไปไม่ใช่หรือปกตินิสัยประจำองค์ของหลวงปู่ทางกายมีร่างกายแข็งแรง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 ไม่พูดประชดไม่พูดนินทาไม่พูดขอร้องขออภัยไม่พูดขอโทษไม่พูดถึงความฝันไม่พูดเล่านิทานชาดกหรือนิทานปรมปราเป็นตน้นหมายเหตุผู้อา่านสำหรับคำว่าไม่พูดขออภัยขอโทษนั้นคงเป็นคำเป็นสำนวนที่ให้ความหมายไปในทางไม่ดีซึ่งอาจอยู่ในกลุ่มคาประจบคาเอาใจ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 อย่าทุกโศกเพราะสภาวะนั้นเป็นเหตุมีเวทนาหนักแต่ไม่หนักด้วยเวทนาหลวงปู่อ า, าพาธหนักอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาเป็นวันที่สิบเจ็ดของการอยู่โรงพยาบาลคืนนั้น หลวงปู่มีอาการอ่อนเพลียอย่างมากถึงต้องให้ออกซิเจนช่วยหายใจโดยตลอดเวลาดึกมากแล้วคือหกทุ่มกว่าท่านอาจารย์ยันตระพร้อมด้วยบริวารหลายท่านเข้าไปขอกราบเยี่ยมหลวงปู่หลวงปู่นอนตะแคงขวาหลับตาตลอดเมื่อคณะของท่านอาจารย์ยันตระกราบนมัสการแล้วท่านอาจารย์ยันตราขยับก้มไปจิดหูหลวงปู่และถามว่าหลวงปู่ยังมีเวทนาอยู่หรือ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 พุทธศักราช 2,526 ก่25 26, อนที่หลวงปู่จะกลับจากโรงพยาบาลจุลาได้จักชวนกันทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแดบ่บรรพชนที่สร้างโรงพยาบาลที่ลงลับไปแล้วเมื่อพิธีถวายสังฆทานผ่านไปแล้วมีนายแพทย์และนางพยาบาลจำนวนหนึ่งเข้าไปกราบนม้มาส ก, การหลวงปู่แสดงความดีใจที่หลวงปู่หายจากอาพาธครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวปียาวาจาว่า หลวงปู่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีหน้าตาสดใสเหมือนกับไม่ได้ผ่านการ้าพาดมาคงจะเป็นผลจากที่หลวงปู่มีภาวนาสมาธิจิตดีกวกกระผมมีเวลาน้อยหาโอกาสเพียนภาวนาสมาธิได้ยากมีวิธีใดบ้างที่จะปฏิบัติได้ง่ายๆหรือโดยย่อที่สุดหลวงปู่ตอบว่ามีเวลาเมื่อไรให้ปฏิบัติเมื่อนั้น การฝึกจิตการพิจารณาจิตเป็นวิธีลัที่สุดทั้งหมดอยู่ที่ความประพฤติตลอดชีวิตของหลวงปู่ท่านไม่เคยยอมรับการถือเริก ง, งามยามดีอะไรเลยแม้จะถูกถามหรือถูกขอให้บอกเพียงว่า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 รวมอยู่ที่ความประพฤติคือเลิกดีเลิกร้ายโชคดีโชคร้ายเรื่องครอบ ก, กรรมบาปบุญอะไรทั้งหมดนี้ล้วนออกไปจากความประพฤติของมนุษย์ทั้งนั้นไม่เคยกระทำแบบแสดง หลวงปู่ไม่มีมายาในทางอยากโชว์เพื่อให้เด่นให้สง่าแก่ตนเองเช่นการถ่ายรูปของท่านถ้าใครอยากได้ถ่ายรูปท่านก็ต้องหาจังหวะให้ดีระหว่างที่ท่านหมผ้าใส่สังคติเรียบร้อยเพื่อลงปาฏิโมกข์หรือบวชนาคหรือเข้าพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วขอถ่ายรูปท่านในจังหวะนี้ย่อมได้ง่ายเมื่อท่านอยู่ตามธรรมดา แล้วขอร้องให้ท่านลุกไปห่มผ้ามาตั้งท่าให้ถ่ายแบบนีหวังได้ยากอย่างยิ่งเช่นมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งจากกรุงเทพนำผ้าห่มชั้นดีไปถวายหลวงปู่เมื่อหน้าหนาวพอถึงเดือนห้าหน้าร้อนเระเอิญเขาได้ไปกราบหลวงปู่อีกจึงขอให้ท่านเอาผ้าห่มมาห่มให้เขาถ่ายรูปด้วยเพราะตอนถวายไม่ได้ถ่ายไว้หลวงปู่ปฏิเสธว่าไม่ต้องหรอก แม้เขาจะขอเป็นครั้งที่สองที่สามท่านก็ว่าไม่ต้องไม่จําเป็นอยู่นั่นเองเมื่อสุภาพสตรีนั้นลากลับไปแล้วอาตมาไม่ค่อยสบายใจก็ถามท่านว่ายอมเขาไม่พอใจหลวงปู่ทราบไหมหลวงปู่ยิ้มแล้วตอบว่ารู้อยู่ที่เขามีความไม่พอใจก็เพราะใจเขามีความไม่พอ สิ้นชาติขาดพบพระมหาเทระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานสนทนาธรรมะขั้นปรามาจักรับหลวงปู่หลายข้อแล้วหลงท้ายด้วยคำถามว่าพระเทระนักปฏิบัติบางท่านมีปฏิปทาดีน่าเชื่อถือแม้พระด้วยกันก็ยอมรับว่าท่านเป็นผู้มั่นคงในพระาศาสนาแต่ในที่สุด ก็ไปไม่รอดถึงขั้นต้องศึกหาลาเพศไปก็มีหรือไม่ก็ทำไข้เขวประพฤติตัวมัวหมองอยู่ในพระธรรมมวินัยก็มีจึงไม่ทราบว่าจะปฏิบัติถึงขั้นไหนอีกจึงจะตัดวัตตาสงสารให้สิ้นพบสิ้นชาติได้หลวงปู่กล่าวว่าการสำรวมสำเนียกในพระวินัยอย่างเคร่งครัดและสมทานถือทุดงนั้น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 หยุดกิริยาจิตมันก็จบแค่นี้เหลือแต่บริสุทธิ์สะอาดส ว, าว่างว่างมหาสุญญาตาว่างมหาสารเปรียบเทียบให้ฟังความอยากรู้อยากเห็น เพื่อบรรเทาความสงสัยของตนให้ได้นั้นย่อมมีอยู่สำหรับชนผู้เจริญโดยทั่วไปวิชาแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาตั้งไว้เพื่อให้มนุษย์เกิดสงสัยอยากรู้แล้วเพียรพยายามศึกษาปฏิบัติเพื่อรู้ถึงจุดหมายปลายทางของแต่ละศาสตร์นั้นแต่พุทธศาสตร์ต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างสมดุลและความเพียรขั้นอุกฤษเพื่อเข้าถึงสิ่งสูงสุด ของพุทธธรรมด้วยตนเองหมดข้อสงสัยได้เองโดยสิ้นเชิงเปรียบเหมือนคนบ้านนอกที่ไม่เคยเข้ากรุงเทพมีคนอธิบายให้ฟังว่าที่กรุงเทพนั้นนอกจากมีความเจริญอย่างอื่นแล้วยังมีกำแพงแก้วและมีภูเขาทองทั้งลูกอันมหอมาอีกด้วยเขาจึงตั้งใจไปกรุงเทพให้ได้โดยคิดว่าจะไปเอาแก้วที่กำแพงและไปเอาทองที่ภูเขา รันเพียนพยายามไปจนถึงแล้วผู้รู้กระชี้บอกว่านี่คือกำแพงแก้วนี่คือภูเขาทองเพียงแค่นี้ความตั้งใจและความสงสัยของเขาก็สิ้นสุดลงทันทีมรรคผลนิพพานก็เช่นนั้นเหมือนกัน อยู่อย่างไรปลอดภัยที่สุดจำได้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2519มีพระเทระสองรูปเป็นพระฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานจากทางอีสานเหนือแวะไปกราบน้ำมสการหลวงปู่และสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติเป็นที่เกิดศรัทธาปสาทะและดื่มด่ำในรสพระธรรมอย่างยิ่ง ท่านเหล่านั้นกล่าวย้อนถึงคุณงามความดีตลอดถึงภูมิธรรมของครูบาอาจารย์ที่ตนเคยไปพำนักศึกษาปฏิบัติมาด้วยเป็นเวลานา น, านว่าหลวงปู่องโนนมีวิหารธรรมคืออยู่กับสมาธิตลอดเวลาอาจารย์องค์นี้อยู่กับโรมวิหารเป็นปกติคนจึงนับถือท่านมากหลวงปู่องนั้นอยู่กับอัปปมัญญาโรมวิหารลูกศิษย์ของท่าน จึงมากมายทั่วสารทิศไม่มีประมาณดังนี้เป็นต้นท่านจึงมีแต่ความปลอดภัยจากอันตรายตลอดมาหลวงปู่กล่าวว่าเออท่านองค์ไหนมีภูมิธรรมแค่ไหนก็อยู่กับภูมิธรรมนั้นเถอะเราอยู่กับรู้ครั้นเมื่อพระเทราช ท, ทั้งสองรูปได้ฟังคำพูดของหลวงปู่ว่า หลวงปู่ท่านอยู่กับรู้ต่างองค์ก็นิ่งสงบชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เรียนถามหลวงปู่ต่อไปว่าอาการที่ว่าอยู่กับรู้มีลักษณะเป็นอย่างไรหลวงปูต่ตอบอธิบายว่ารู้ในวงเล็บอัญญาเป็นปกติจิตที่ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิต ไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างถึงที่สุดแห่งทุกหลวงปู่เป็นผู้มีวาจาบริสุทธิ์เพราะท่านชอบกล่าวแต่สิ่งที่เป็นสัจจะแท้กล่าวแต่จุดมุ่งหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา กล่าวแต่พระกระแสธรรมที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยส่วนเดียวสังเกตจากพุทธดำรัสที่หลวงปู่ชอบหยิบยกมาพูดให้ฟังบ่อยที่สุดคือหลวงปู่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ดินน้ำไฟลมอากาศอากิจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะโลกนี้โลกหน้า ดวงอาทิตย์ดวงจันเหล่านี้ย่อมไม่มีในอายตนะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวถึงอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุบัติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ไม่ได้เป็นไปหาอารมณ์ไม่ได้นั่นและเป็นที่สุดแห่งทุกข์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 ได้จัดงานทำบุญฉลองเป็นกรณีพิเศษหลวงปู่เริ่มมีอาการผิดปกติคืออ่อนเพลียอย่างมากกระสับกระส่ายและจับไข้เป็นครั้งคราวอัตมากราเปลียนท่านว่าขอนำท่านไปโรงพยาบาลจุฬาอีกครั้งท่านบอกว่าไม่ต้องไปและพูดสัมทับว่าห้ามเอาท่านไปเพราะถึงไปก็ไม่หายเปลียนท่านว่า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 วันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2526ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงผ่านไปแล้วอาการป่วยก็ทรงทรงอยู่แต่สีผิวพันวันน่าสดใสเปล่งปลั่งอย่างผิดปกติทั้งพระและข้ารืหัดก็มาร่วมงานจำนวนมากทั้งพระบ้านและพระป่าเวลา15้านาฬิกาพระเทราฝ่ายป่าได้เข้าไปถวายสกราระที่กุฏิหลวงปู่จำนวนมากท่านลุกขึ้นสนทนาธรรมะ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 ซึ่งหามีใครทราบไม่ว่านั่นเป็นการมองดูอะไรอะไรครั้งสุดท้ายแล้วทบทวนธรร ม, มานุสติครั้งสุดท้ายเวลาสีทุ่มผ่านไปหลวงปู่ให้พาท่านเข้าห้องนอนเหมือนเดิมท่านอยู่ในอิริยาบถนอนหงายหนุนหมอนสูงให้พระที่อยู่ในห้อง 8ถึงเก้ารูปสวดมนต์เจตจำนานย่อให้ฟังจบแล้วสั่งให้สวดสติสัมโพชงสามจบแล้วให้สวดปฏิจจสมุปบาทอีกสามรอบหลังจากนั้นหลวงปู่ให้สวดมหาสติปฐานสูตรให้ฟังพระในที่นั้นไม่มีองค์ไหนสวดได้สักองค์ท่านบอกให้เปิดหนังสือสวดเผอิญหนังสือก็ไม่มีอีกเดชบุญที่ท่านอาจารย์ปูนสัก ซึ่งอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดมามีหนังสือฉบับหลวงติดมาด้วยจึงหยิบมาเปิดหาพระสูตรนั้นมัวพลิกหาอยู่เป็นเวลานานหลวงปู่สั่งว่าเอามานี่ท่านหยิบเอามาเปิดเองโดยไม่ต้องดูแล้วบอกว่าสวดตรงนี้ทำให้พระทุกองค์แปลกใจมากเพราะตรงกับมหาสติปทานสูตรพอดีคือหน้าหนึ่งรอเจ็สิบสองพระสูตรนี้ยาวมาก ใช้เวลาสวดให้หลวงปู่ฟังถึงสองชั่วโมงกว่าจึงจบท่านฟังโดยอาการอันสงบปัดชิมพศของหลวงปู่เมื่อหลวงปู่ฟังพระสวดมหาสติปทานจบลงแล้วสักครู่หนึ่งต่อมาท่านกล่าวปรารพถึงลักษณะาการ ที่พระพุทธเจ้าเข้าสู่ป ร, รินิพพานตั้งแต่เริ่มต้นมาจนตลอดซึ่งจะขอจับเอาใจความตอนท้ายไว้ในที่นี้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เข้าสู่นิพพานในยานสมาบัติอะไรที่ไหนหรอกเมื่อพระองค์ออกจากจตุตถาชานแล้วจิตขันหรือนามขันก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือนั่นคือพระองค์ดับเวทนาขัน ในภาวะจิตตื่นหรือวิธีจิตอันปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะไม่ถูกภาวะอื่นใดมาครอบงำอัมพรางให้หลงไหลไดใดทั้งสิ้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบูรณ์ภาวะอันนั้นจะเรียกว่ามหาสุญญาตาหรือจักรวาลเดิมหรือเรียกว่าพระนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราปฏิบัติมา ก็เพื่อเข้าถึงภาวะอันนั้นเองวจีสังขารคือวาจาของหลวงปู่ก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ป่าดงเกิดขึ้นในเมือง ย้อนหลังไปดูเหตุการณ์เมื่อสมัยใกล้ร้อยปีที่ผ่านมาสมัยนั้นแหละคณะทุดงของหลวงปู่ได้แยกทางจากคณะท่านพระอาจารย์มั่นรวมสี่รูปด้วยกันออกไปทางอำเภอท่าคันโทกาลสินพากันทุดงไปอยู่ในป่าทึบแห่งหนึ่งคณะของหลวงปู่ได้รับความยากลำบากอย่างยิ่งต้องต่อสู้กับป่าดงพงไพรสิงสาราสัตว์ทุกชนิดตลอดถึงต่อสู้กับไข้ป่าอย่างร้ายแรง ในที่สุดพระเพื่อนทุดงรูปหนึ่งทนต่อไข้ป่าไม่ไหวได้ถึงแก่มรณาภาพไปต่อหน้าหมู่คณะอย่างน่าเวทนายิ่งกว่านั้นเมื่อหลวงปู่แยกจากคณะพาเนร น, น้อยทุดงไปอยู่ด้วยกันเพียงสองรูปที่ป่าอีกแห่งหนึ่งใกล้บ้านกุดก้อมไข้ป่ายัางตามไปรังควานชีวิตของเนร น, น้อยจนถึงแก่ความตายไปต่อหน้าหลวงปู่อย่างน่าสงสารสลดใจยิ่งนัก สาเหตุก็เพราะขาดยุกยาที่จะรักษาพยาบาล น, นั่นเองแล้วก็โปรดย้อนกลับมาดูเหตุการณ์เมื่อเวลาตีสี่ของวันที่ส0มสิบตุลาคมพุทธศักราชสองพห้าสภาพป่าในสมัยนั้นได้ย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งณนะห้องนอนของหลวงปู่เพราะขณะที่หลวงปู่กำลังอาภาษหนักอยู่นั้นพยาบาลสักคนหนึ่งก็ไม่มีน้าเกลือสักหยดหนึ่งก็ไม่มี จะมีก็แต่สิทธิ์ฝ่ายสงฆ์นั่งห้อมล้อมอยู่อย่างสงบเหมือนหนึ่งพร้อมใจกันถวายเสรีภาพให้หลวงปู่มีอิสระอย่างเต็มที่ในการปล่อยวางสังขารขันโดยการมรณาภาพที่ไม่ปรากฏร่องรอยและบริสุทธิ์สงบเยือกเย็นอย่างสิ้นเชิงแม้การเวลาก็เหมาะสมพระพุทธองค์ท่านทรงบำเพ็ญเพียรค้นคว้าสัจธรรมตลอดเวลาถึงหปีกรันได้ตรัสรู้ ก็ตรัสรู้เมื่อเวลาใกล้รุ่งคือตีสี่ล่วงไปแล้วรันตรัสรู้แล้วทรงบำเพ็ญพุทธกิจตลอด45ปีก็ใช้เวลาตีสี่กว่านี้แผ่พระยานสอดส่องดูหมู่สัตว์ผู้ควรได้รับการเสด็จไปโปรดถึงคราวพระองค์เสด็จดับขันปริณิพานก็เป็นเวลาเดียวกันนั่นอีอันสังขารธรรมหนึ่งซึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวันที่สี่ตุลาคม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 พุทธศักราช 2,526 หลวงปู่ก็ปล่อยวางสังขารขันให้ดับลงแล้วเมื่อเวลาสี่นริกา13นาทีเหมือนอย่างนั้นนั่นเองสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือวันนั้นเป็นวันที่คณะสิทธิ์ทั้งหลายทั้งบรรพจิตและเข้ารือหัดทั้งฝ่ายขามวาสีและอรั ญ, ญวาสีมาประชุมพร้อมเพรียงกันทาบุญฉลองอายุครบรอบ96ปีคือแดรอบ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 เพราะแม้ท่านมีอายุผ่าน96ปีล่วงแล้วก็จริงแต่ร่างกายท่านแข็งแรงว่องไวสะอาดสงบเยือกเย็นรุ่งเรืองด้วยสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ไม่หลงลืมเผลอเรอใดๆทั้งสิ้นเมื่อถึงคราวดับสังขารก็ดับลงอย่างสงบไม่มีร่องรอยในการลำบากขันทรมานตนไม่ให้ผู้ใกล้ชิดต้องลำบากกายใจในการรักษาพยาบาลไม่เปลืองหมอไม่เปลืองยา ไม่เปลืองเวลาของท่านผู้ใดทํากลางความสงบเงียบของเวลาตีสี่กว่าปราศจากผู้คนและยนยานพาหนะทุกชนิดแม้ต้นไม้ใบยญ้า ก, ก็สงบเงียบอากาศเย็นยะเยือกพร้อมกับมีละอองฝนลงมาโปรยปลายคล้ายหิมะลงหลวงปู่ผู้วิสุทธิ์ที่สงก็ปลงเสร็จแล้วซึ่งสังขารธรรม คงทิ้งไว้แต่โดยพระคุณทั้งหลายให้รำลึกถึงและอาัยอาวร์อย่างมิรู้แล้วคติธรรมของพระราชวุฒาาจารย์หลวงปู่ดูลอตุโลข้อที่หนึ่งคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ม่รู้ ต้องหยุดคิดให้ได้จึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้ข้อที่สองจงทำยานให้เห็นจิตเหมือนดังตาเห็นรูปแยกรูปถอดด้วยวิชามักคจิตเหตุต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมด ผลเหตุเกิดหมายเหตุผลต้องละใช้หมายถึงให้ยอมรับวิบากคือผลจากการกระทากรรมของตนและอย่าไปก่อเหตุไม่ดีขึ้นอีกข้อที่สจงเจริญจิตให้หยุดอยู่บนสิ่งซึ่งไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น จิตนั้นต้องเจริญมิใช่ให้เป็นเองได้ข้อที่สี่อย่าส่งจิตออกนอกข้อที่ห้าอริยสัจแห่งจิตจิตที่ส่งออกนอกเพื่อสนองอารมณ์ทั้งสิน้น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 ถ้าจะละกิเลสจะให้ละอะไรก่อนกิเลสหรืออารมณ์อะไรเกิดก่อนก็ให้ละอันนั้นละก่อนถ้าหากจะละโดยแท้จริงแล้วก็ต้องละที่จิตเพราะกิเลส ท, ทั้งหลายออกไปจากจิตนี่เองเกิดจากจิตนี่เอง คำสอนทั้ง 84,000 พันพระธรรมขันนั้นเป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเองคำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสมีมากมายแต่ทางที่ดับทุกได้มีทางเดียวคือพระนิพพานการที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนักหากปล่อยโอกาสให้ผ่านไป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 ฝากไว้บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของพระราชวุทธธาจารย์หลวงปู่ดูลัตุโลเสียงอ่านโดยอริยะคุณชมรมพลดีขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้ครอบครัวสีโพคาสุภาพรเทียมบุญประเสรศิฐภูนสีช่างพินิษครอบครัวเป็งจันครอบครัวทรงพลครอบครัวเรืองประกอบกิจครอบครัวลาหาธนาคมครอบครัวสีคง ร่วมกับอีกหลายท่านดูรายชื่อได้ในรายละเอียดทุกช่องทางที่ชมรมผลดีเผยแพร่และขออนุมโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง